أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <ت ص في ق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ص ل وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يشمعين سبحانك لا علم ل ن ا لما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم رب اشرح لي صدري อัลลอฮริญ لي أمري و هلوقدتم من لساني يقه ق و ق ي. <ت ص في> ق> ل و و و ق الل ي اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا ورزقنا اللهمعلمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا و زدنا علم الحمد ا لله الحمد لله شكر الله سبحانه وتعالى في ด้วยความกรุณาความเมตตาของพระองค์ทำให้ชีวิตของเราดำรงอยู่ด้วย <c oughs> ความสะดวกสบายนะครับด้วยสุขภาพที่ดีด้วยการงานที่ดีและหลายๆอย่างที่เราได้รับมาจากพระองคลล l l a h s u b h a ะ และแน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญกว่าอย่างอื่นหรือสิ่งใดสิ่งใดอื่นทั้งสิ้นนะครับก็คือการที่อัลลอฮ์สุภาณาลางคงดูแลหัวใจของพวกเราทุกคนอยู่ให้อยู่บนศาสนาอิสลามอัลลอฮ์มายอมคั่นบัลกลุบ ثبت قلوبنا على دينك เป็นดุอาที่ท่านนบีลอเลวะัลลัมเพียงขอดุอานะครับวิงวอนทั้อัลลอ์อลอยู่สัมัมเอัลลอฮ์เมียมุคลิบัลหุลบับบิดหุลบันะหรือบบิกลอัลลอฮมยมุลิบัลุลบับบิกลบอลโออัลลอฮ ب ح ا ะ ت ل ى อุษ Uh, พลิกหัวใจโมกลิบั ล, ลูล ก, ก็คือพลิกในภาษาอาหรับเนี่ยหัวใจเราเรียกว่าอัลกลบอัลกลบหมายถึงพลิกไปพลิกมาคนอาหรับเขาตั้งชื่อเขาตั้งชื่อสิ่งของเนี่ยโดยดูจากลักษณะอาการของสิ่งของนัน ของสิ่งนั้นๆอย่างเช่นอัลกลบเพราะว่าหัวใจเนี่ยเดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันร้ายเดี๋ยวมันบวกเดี๋ยวมันลบเดี๋ยวมันเศร้าเดี๋ยวมันสุขมันพลิกพลิกไปพลิกมาอัลอินซานก็เป็นชื่อภาษาอาหรับมาจากคาว่าอะไรนิสยนียนมนุษย์ชอบลืมคืออธิบายได้ว่าทำไม มนุษย์ในภาษาร拉伯จึงเรียกว่าอาเลนซานเนี่ยอันนี้เป็นวิชาในเขาเรียกว่าภาษาศาสตร์ในแง่ของภาษารับมุกลลิบะหมายถึงผู้ทรงพลิกมุกลลิบัลกูลูผู้ทรงพลิกหวัวใจอัลกูลูเป็นพหูพจน์ของคําว่าอัลกลบสับบิดกลบีอัลละดีขอพระองค์ทรงทําให้มั่นคง ใจ ห, หัวใจของฉันมั่นคงมั่นคงอยู่บนอะไรอาราดีนอยู่บนศาสนาของพระองค์อันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากอัลซาเบตอาราดีนิลละการยืนหยัดอยู่ในศาสนาของลระองค์เพราะอะไรครับที่เราต้องขอดยอ้ายอย่างนี้พี่น้องครับพี่น้องคิดว่าปัญหาอะไรที่แย่ใหญ่ที่สุดแย่ที่สุดในสังคมมุสลิมที่เราคิดที่เราที่เราเห็นตอนเนี้ถ้าผมจะถามแต่ละคนเนี่ยว่าแต่ละคนมีความเห็นว่า อะไรที่เป็นปัญหาแย่ที่สุดสำหรับเราที่เป็นมุสลิมตอนนี้ที่เรากลัวที่สุดกังวลที่สุดคิดว่าอะไรครับปัญหาอะไรปัญหายาเสพติดบางคนตอบว่าปัญหายาเสพติดบางคนตอบว่าปัญหาเรื่องไม่รู้ศาสนาบางคนบอกแล้วแต่นะครับแล้วแต่มองว่าใครจะเห็นแต่สิ่งที่น่ากลัวมากและเป็นสิ่งที่ศัตรูของอัลล ใช่ตอนพยายามที่จะทำอย่างมากก็คือการที่จะทำให้เราหลุดออกจากศาสนาของเราอันนี้คือปัญหาหนักมากหลุดจากช่องทางไหนไม่สำคัญที่มันต้องการก็คือให้หลุดนี่บางคนหลุดเพราะเรื่องอาเกตดาบางคนหลุดหลุดจริงๆแล้วเรื่องหลุดเพราะเรื่องอาเกตดานี่ใหญ่ที่สุดแต่บางที มันไม่ได้มาตรงๆมันไม่ได้ทำให้หลุดจากอากิดัตตรงๆมันมาแบบทางอ้อมมันมาทางวัฒนธรรมมันมาทางแฟชั่นมันมาทางเทรนด์เทรนดิงหมายถึงว่าความนิยมนี่แหละครับที่เรากลัว คือมันไม่ได้บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอาคิดะตรงๆแต่เอาแฟชั่นมาเอาไอ้นู่นมาเอาไอ้นี่มาเอาธุร ก, กิจมาเอาเศษษรษฐกิจเรื่องต่างๆเนี่ยพยายามที่จะทําให้เราหลุดออกไปจากอาคิดะของอิสลามโดยที่เราไม่รู้ตัวบางทีการที่เราหลุดออกจากอาคิดะอิสลามเนี่ยไม่ได้หลุดแบบตรงๆเรื่องปัญหาอาคิดะแต่หลุดเพราะไปตามตามวิถีทางหรือแบบอย่าง คนที่ไม่ได้มีอัคคีแดอิสลามก็ได้นะครับสองสามวันมานี้เราได้เห็นข่าวที่น่ากลัวนะหนุ่มสาวของเราที่หลุดออกไปจากศาสนาอิสลามเพราะไม่รู้จักยาฮีเลียไม่รู้จักว่าไอสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ทําอยู่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่อิสลามอะ่ะอันนี้แหละที่อุมรัรเคยพูดแล้วนะครับว่าที่ท่านกลัวสังคมมุสลิมตอนนี้ก็คือไอคนที่โตขึ้นมาเป็นมุสลิมเป็นลูกหลานเรานี่แหละแต่เราไม่ได้บอกว่า เฮ้อันนี้มันได้อันนี้มันไม่ได้เด็กมันจะหลุดออกจากอิสลามได้โดยที่เขาไม่รู้ตัวอันนี้คือสิ่งที่เรากลัวมากเพราะฉะนั้นดุอาอัลลอฮฺไม่ยอมมุขลบิบัลกลุ่มตบิบัลกีอัลาดีนิกจึงเป็นหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้เรานั้นได้ยืนหยัดอยู่ในอิสลามพร้อมๆกับการที่จะต้องหาความรู้ต้องให้ความรู้ต้องมีวัคซีนนะหลายเรื่องเดี๋ยวนี้หลุดทางเรื่องมรารยาทเรื่องจริยธรรมเรื่องศิลธรรมเรื่องเศรษฐกิจก็หลุดได้ นะอย่าเข้าใจผิดว่าหลุดจากอิสลามเนี่ยจะต้องเห็นจงแจ้งบางทีมันเห็นไม่จงแจ้งมันมาแบบทาง อ, อ้อมมันเอาเรามันเอาเรามันเอาเราออกจากอิสลามโดยที่เราเองยังไม่รู้เลยว่าหลุดหรือไม่หลุ ด, <laughs> ลด <laughs> นะอุบิลลาฮามิแนล่ย น, น, นี้สายของเชตอนก็คือฟะจิตลัตฮุมแต่เนบีบอกว่าหน้าที่ของชายตอนหรืองานของัชตอนี่พยายามที่จะอิจตาลต อีกต้ลัวก็คือหันดึงดึงมนุษย์ให้ออกจากฟิตรัที่เป็นศาสนาเดิมของพวกเขาอันนี้คือปัญหาที่เรากลัวมากสุภาพนอ ล, ล่ออันนี้ถ้าพูดไปแล้วมันจะยาวนะครับเพราะว่ามันมีตัวอย่างให้เราเห็นหลายเรื่องเหลือเกินโดยเฉพาะนะกับบรรดาหนุ่มๆสาวๆที่อยู่ท่ามกลางสังคมแบบนี้นะครับ ส, สังคมที่มันแวดล้อมด้วยเยรียทุกทิศทุกทางัเอยป็นไมน อย่างไรก็ตามนะครับถ้าสมมุติว่าเราตั้งกฎเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับตัวเองนะครับว่าอย่างไงก็แล้วแต่ในฐานะที่ฉันเป็นมุสลิมฉันจะต้องเรียนอิสลามอินชาอัลล์ถ้าเราตั้งเป้าของเราในชีวิตของเราว่าไม่ว่ายังไงก็ตามฉันจะต้องเรียนอิสลามให้เป็นประจำให้ต่อเนื่องอินชาอัลล์มันจะไม่ทำให้เราหลุก หนึ่งในจำนวนวิธีการที่จะทําให้เรานั้นอยู่ในศาสนาของ Allah ได้ตลอดเวลาก็คือเรียนทําความเข้าใจกับอิสลามที่ถาวแท้เพื่อให้เรารู้จักอิสลามที่จะเป็นตัวจําแนกว่าเฮ้ยอันนี้มันได้หรือไม่ได้อันนี้มัน jahiliyah อันนี้มันช h ริกอันนี้มันหลุดจากอิสลามนะอันนี้อันเนี้ยถ้าเราไม่เรียนเราจะไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้อิสลามเนี่ยสำคัญมากนะครับแม้ว่าจะเป็นแบบนี้แต่ขอให้มันต่อเนื่องให้มันมีอยู่ตลอดนะครับ ขั้นต่ำเลยต้องเรียนต้องอ่านต้องทำความเข้าใจไม่อย่างนั้นแล้วเสี่ยงมากนะครับใครที่ไม่สนใจอิสลามไม่ทำใ ย, ยดีกับการหันมาเรียนนะครับโดยเฉพาะเรียนอัลกุรอานเรียนคำสอนจากลอสของวัลลอลาเนี่ยเสี่ยงมากนะครับที่เขาจะหลุดออกไปจากศาสนานี้อัอฮฺุบิดลลาฮฺอัลลวันนี้สุราหใหม่นะครับ อาทิตย์ที่แล้วเราพักไปหนึ่งสัปดาห์ไม่ได้บอกลนะ่วงหน้าต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้สุราษฎรลจุ้มวะหน้าที่สิบหกอ่ะ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 ยุบบิพุลิลลาห์มะทิสสมาวะติวมะทิอัจริงๆแล้วมันต้องอ่านให้จบทีเดียวนะครับไหวไหมถ้าอ่านให้จบทีเดียวหนึ่งอายัเดเนี่ยนะลองดูนะ ยุบบพุ่งล่ำหลังในَวรรค์และในโลกผู้ทรงอำนาจผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงปัญญ <ت س ج يل> هوالذيبعثفيالأممينرسولممنهميَتْلُو عليهم آيات <ت س ج يل> َะْ لو عليهم آياته ويُزكِّيهم ويُعلِّمُهُمُ الكِتابَ وَالْحِكْمَةَ จะท لو عليهم آياته ويُزكِّيهم ويُعلِّمُهُمُ الكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن ك วกเขา ن ق กก่อ ل ضلال ะ ل ลงทางและม ا ดมนแ ل ะ ن นอื ل นๆของพวกเขาเม ه م อพวกเขาถูกหล و الع هو العزيز الحكيم ذلك فضل الله وَتِيَ م َ ي ش َ ى والله ذو الفضل العظيم الحمد لله سبحان الله آيات سورة الجمعة ซี آيات แรกจาก سورة الجمعة อัลลอฮกเป็นการสาทยายถึงบุญคุณอันใหญ่หลวงที่อัลลอสุบฮานาอัอให้กับประชาชาตินี้ซึ่งบางครั้งเราคิดไม่ถึงเรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้เราเคยคิดถึงบุญคุณเนืมัตข้อนี้ ที่อัลลอฮฺแต่ลาให้กับเราบ้างไหมเป็นน้องเคยนึกไหมจริงๆแล้วทุกๆวันที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเรานึกถึงเนตหมัดของอัลลอฮฺกี่อย่างฮอันเนี้ยเนตหมัดใหญ่ที่สุดเอาที่มันเล็กๆทุกๆวันเนี่ยมีกี่อย่างที่เราคิดถึงอัลลอฮ์คิดถึงเนตหมัดของพระองค์บ้างไม่มีใครมานับหรอกผมว่าเนะไม่มีใครที่ขยันนับเนตหมัดของพระอะค์บ้าง โอ้วันนี้อัลลอฮ์ให้เนื้อหมัดฉันเยอะเหลือลเกินไอ้ที่นับเนะ่ะนับตังใช่แต่นับวันเนี้ยมันเป็นเนื้อหมัดจากอัลลอฮ์เนี่ยเคยนับไหมอ่ะโมชาอัลลอฮตาอย่างดีอยู่โาชาอัลลอฮมื อ, อยังดีอยู่เคยนับไหมครับทุกๆวันน่ะเคยขอบคุณอัลลอฮ์เพราะตาเรายัางดีอยู่เพราะหูเรายัางดีอยู่เคยคิดไหมเคยดำลึกเคยสํานึกไหมอัลลอฮ์ชชบอกว่าว่าขลิลุมมนุษยดที่ชักโครกอัลลอฮ์บอกว่า บาวของฉันน้อยเหลือเกินที่ขอบคุณต่อพระองค์สุภาพนัลนแลเน่มันของอัสสลสุาพนั่นอลเยอะมากนะครับสี่อายัดนี้เนี่ยไม่มีเน่หมัดอื่นที่จะเทียบเท่ากับเนี่หมัดเจ้าอัสสลาพูดถึงในสี่อายัแรกจากสุรุตุลจุมเฮก้วนะอัสาลาบอกว่า ذلكفضل ุลลอฮ์อายัที่สี่นะครับนี่คือบุญคุณของอัลลอฮ Allah ุ al ุลฟัตยอติห์มะยาช้า um ah, Allah ุุลฟัตุลอาอุฎมอรัยคือเนื้อมาติวานีร um ah. um ah. ัมดูกันเริ่มต้นซุรัตุลจุมะอ่าจุมะหมายถึงอะไรครับจริงๆแล้วภาษาอ раб อ่านว่าจุมูอะตัวมีนตงบัมมะพวกเราชอบอ่านจุมอ่ะเจ็บไหมฮะอ่าพวกเราชอบอ่านแบบมีนสุกูนจริงๆแล้วในภาษาอ ตัวมีมนั้นต้องมีต่อมะอยู่ไม่เชื่อก็ลองไปดูไปอ่านในในอายะตีเท่าไหร่อายะตีเก้ายะอายุหะลัลเดีนอัมานูอิザนูดิยาลิศซาลาตีมินยอุมิลจุมะูะมีมต้องมีต่อมะด้วยแต่พวกเราแบบเร็วๆก็ยุมะอะยุมอะละมัดจุมอะอะไรก็นะครับเป็นสำเนียงภาษาของเราอจุมอะหมายถึงวันศุกร์ วันศุกร์เนี่ยเป็นวันอีดประจําสัปดาห์ของชาวมุสลิมเฉพาะวันศุกร์เนี่ยเฉพาะตัววันศุกร์เองเนี่ยก็เป็นนตมัดประการหนึ่งมีในฮะดิษที่ผมจไม่ได้แล้วก็ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ดูมาก่อนนะครับอันนี้ที่บอกว่าอัลลอฮ์สุบฮาวต์อัลลเนี่ยทําให้คนก่อนหน้าเราประชาชาติก่อนหน้าประชาชาติของท่านนะบดมุฮัมมัดเนี่ยหมายถึงว่าไม่เอาวันวันศุกร์ มาเป็นวันสําคัญของพวกเขาชาวยิวเอาวันอาทิตย์เป็นวันสําคัญในขณะที่ชาวนาซารอเอาวันเสาร์เป็นวันสําคัญหรือว่าสลับกันก็ไม่รู้นะวันซัปบาโต้เคยได้ยินไหมสัปบัตโต้เยอมุเซบ์มีพูดถึงในสุรตุละรอัวันสัปบาโต้สัปบาโตคนพวกมณีโซอีพวกยิวจะพูดว่าวันสัปบาโตลองไปหาดูว่าคืออะไร ทีนี้วันศุกร์เนี่ยพวกนี้ไม่ดูไม่เอาเอาลาลัลลอลาให้ฮิดายัตแก่ประชาชาิของอุมห์มห์มัดเนี่ยให้เอาวันศุกร์เป็นวันอีนเป็นวันสำคัญของพวกเขาในประชาชาตินี้ในแต่ละสัปดาห์เพราะฉะนั้นวันศุกร์เนี่ยจึงห้ามถือศีลอดเพราะวันศุกร์หมายถึงว่าเพราะตัวของมันเองเนี่ยห้ามถือศีลอดถ้าไม่มีมูลเหตุ่ังอื่นเข้าใจไหมครับ คือถือสิ่งอดแบบแบบไม่มีมูลเหตุอ่ะอยู่อยู่ดีๆก็นึกจะถือสิ่งอดเฉพาะวันศุกร์วันเดียวเนี่ยไม่ได้ต้องถืออย่างน้อยถ้าจะถือวันศุกร์ด้วยต้องถือวันพรหัสพร้อมกับวันศุกร์หรือไม่ก็ต้องถือวันศุกร์กับวันวันเสาร์เพราะว่าวันศุกร์คือวันวันอีดประจำสัปดาห์นะสุนัตให้เรามามัสยิดตั้งแต่เนิ่นๆให้อับน้ําให้ใส่เครื่องหอม ให้ทําความสะอาดร่างกายมีมีพูดถึงอัดิษหลากหลายนะครับเยอะแยะมากมายที่พูดถึงความสําคัญของวันศุกร์ซึ่งพวกเราถ้าจะดูแต่ถ้าจะดูความเป็นจริงอ่ะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าอยู่วันศุกร์กับวันอื่นๆเหมือนวันทั่วๆไปเราไปเทียบกับวันอื่นบางทีวันอื่นอาจจะสาคัญกว่าวันศุกร์ด้วยซ้ําไปอันนี้อาจจะเป็นเพราะวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรมบ้านเราอีกนะครับบ้านเราในวันศุกร์ก็เป็นวันทํางาน มันไม่เหมือนกับประเทศอิสลามนะประเทศอิสลามบางประเทศเนี่ยเขาจะอยู่วันศุกรนะ์ทำให้วันศุกร์นี่กลายเป็นวันคือมันมีมันเอื้อต่อการที่คนจะให้ความสําคัญกับวันศุกร์จริงๆนะครับที่มาเลเซียบางรัฐอย่างเช่นกลันตันก็ได้ยินมาว่านะครับหยุดวันศุกร์เหมือนกันนะครับรัฐอื่นหยุดวันเสาร์อาทิตย์แต่เฉพาะรัฐบางรัฐเนี่ยเขาจะปิดวันศุกร์เลยเพื่อให้เห็นให้ประชาชนเนี่ยได้ ได้มาทําอิบาดั๊กต่อร้องเสมอตะลาให้ความสําคัญกับวันนี้จริงๆอันนี้เราจะทํำยังไงเราอยู่ในบริบทสังคมแบบนี้ที่วันศุกร์ก็ต้องทํางานเนี่ยจะทํำยังไงอย่างน้อยให้มันมีให้มีความรู้สึกว่ามันสําคัญกว่าวันอื่นๆนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่เราต้องพูดคุยต้องให้นัเสฮัดต้องตักเตือนกันไปแต่จะบอกว่ามันสําคัญมากนะครับวันศุกร์เป็นวันที่อัลลอฮฺสร้างนบีอาดัมเป็นวันที่จะเกิดวันกิยามัตวันที่อั ยะแยะมากมาเลที่พูดถึงฟะอัลมิลุมะและเป็นหนึ่งในจำนวนสุรษที่อัลลอฮฺพูดถึงโดยเฉพาะเลยเป็นหนึ่งสุรษนะครับแม้จะเป็นสุรษสั้นๆแค่11ออายัดแต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งชื่อจากสุรษต่างๆทั้งหมดในอัลกุรอานที่อัลลอฮฺสุลตาประทานลงมาให้กับพวกเรานะถ้าเราดูสุรษนี้เนี่ยกับสุร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันนิด Jews, Israel, Finish, Russians, cookies, su pues Surah As-Saff ni Allah Taala pun tidak apa. Pada orang Yahudi, pada orang Bani Israel, dalam Surah Jumuah Allah Taala telah berkata. Setelah ini kita akan tahu. Ada hubungan yang ada di dalam Surah As-Saff. Allah Taala meminta orang yang beriman untuk menjadi orang yang beriman. เราจะเป็นผู้ช่วยเหลืออัลลอ์ยังไงอัลลอฮ์แต่ลมาอธิบายคนที่จะเป็นผู้ช่วยเหลืออัลลอ์เนี่ยจะสร้างตัวตนยังไงในสุรัตุยุหมะเห็นไหมครับมีเนื้อหาที่มันสอดคล้องเข้ากันอยู่ระหว่างสองสุรานี้เริามตุน يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك ا ل ق د و العزيز ا ل ح س ب ح كم ي ق ا สบบฮาในสุรทูลสับบะหลิลลาหในสุรทูลจุม عة ยุับบฮาลิลลาหต่างกันตรงไหนครับต่างกันตรงไหนแต่นคนที่เรียนภาษาอับเข้าใจรู้สบบฮานี่ไม่มีตัวย่อยอยู่ข้างหน้าเราเรียกว่า فعل ม اض, ม اض, ม اض ิ فعل ม uh า ض ิกิริยาถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่า past t e กริยาในรูปของผ่านไปแล้วมารีอยู่บิหุเป็นกริยาเหมือนกันแต่อยู่ในรูปของ p r e s e n t ์เทนหรือปัจจุบันการนะครับซึ่งภาษาไทยมันมีไหมออดีตการปัจจุบันการอนาคตการเรื่องของคำกริยาเดี๋ยวมีไหมมันมันไม่ในรูปของอะไรอะไรเาเรียกวัยกรภาษาเนี่ยของแต่และภาษามันไม่เหมือนกันนะครับ ยูสับบิหูนี่หมายถึงความหมายอันเดียวกันแต่มาในรูปของ فعل ลมดาร์แหละฟะลโมดาร์เป็นการบอกว่าการตัสเบหต่ออัลลอฮ์สุบฮานตะอัลลาเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่สิ้นสุดตั้งแต่อดีตกาลมาจนกระทั่งทุกวันนี้การตัสเบหต่ออัลลอฮ์สุบฮานตะอัลลาเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ทุกวันและจะไม่มีวันสิ้นสุดจนกระทั่งวันกียรมัอะไรล่ะ ที่คอยตศพถวายต่อ Allah อลาอยู่นี่ไงไม่ในสวรรค์และไม่ในโลกทุกอย่างที่อยู่ในชั้นฟ้าและกับแผ่นดินในโลกนี้ในจักรวาลนี้หน้าที่ของมักลุกก็คือคอยตศพถวายต่อ Allah Subhanahu wa taala ที่เราที่เราได้ยินอายะท์ชัดเจนก็คือที่ Allah ตรัสว่าบรรดาเมเาล ก, กัตเนี่ยมีจำนวนมากกว่ามนุษย์อีก แล้วมีหน้าที่อะไรบ้างฮะมาลัยกัทมีหน้าที่อะไรบ้างถ้าบางคนถามว่าม า, ม, า, ามีจำนวนเยอะอย่างเงี้ยเราแต่เราจะใช้ทำงานอะไรอ่ะนี่ไงหน้าที่ของมาลากักทเดกก็คืออยู่สบิปุนคอยทัสเบห์ตอหลอสุบฮาลาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะล้วนแล้วแต่ตัสเบห์ต่อหลอสบุบฮาลาห์ทุกส่มนุษย่านโลกนี้จะลวนแง้วแต่ทัสเบ่าหลอนบาลาห์ทุกสิ่่างในโลกนี้จะว้วทัสเบห์อหอสฮคยมีมนุยแบ่นั่นแวละที่วาบอกว่า เบื่อช่างเลยไม่รู้จะทําอะไรจะบอกว่ายัางไงดีถ้าไม่รู้จะทําอะไรจะบอกว่ายังไงดีตัดเบสสิถ้าไม่รู้จะทำอะไรนี่อย่าอยู่เฉยๆทาอะไรครับให้เหมือนกับแมลงกัดให้เหมือนกับดวงอาทิตย์ให้เหมือนกับดวงจันทร์ให้เหมือนกับนกให้เหมือนกับต้นไม้ให้เหมือนกับมักลุกทั้งปวงทําอะไรตัดเบสต่อรอดทางการอะไรไม่อย่างงั้นแล้วเนี่ยไอในเราเนี่ยเป็นมนุษย์เป็นมักลุกที่มีเกียรติเนี่ยแต่เราทํา การตัศแหวกตลออรน้อยกว่ามะลูกอื่นๆมาทั้งๆที่การตัศแหวกเนี่ยท่านนบีบอกว่าง่ายเบาแต่ว่ามีผลบุที่หนักมากอะอะไรแล้วนะอเดที่บอกว่ากาลิมาแทนคอฟีซาแทนอเลนลิซันสองคำที่มันเบาสำหรับลิ้นสิ่งเตันฟิลมีซันมันหนักบนตาชัางในวันที่ามัด ฮะบบตานอิลัราะห์มานเป็นของคำที่อัลลอรันั่นก็คือ س ب ح ل ه د ِ سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله و بحمدِ เพราะฉะนั้นการทศพนี้จึงเป็นอานพื้นฐานสาหรับม خلوط ทั้งหมดเลยถ้าไม่รู้จะทาอะไรให้อุลามบางคนบอกว่าสาหรับคนสาหรับเราแต่ละคนเนี่ยถ้ารู้สึกว่าบาปเยอะ ให้อิสติฟารมากกว่าตัศบะเข้าไหมครับแต่ถ้ารู้สึกว่าอัลฮัมดุลลาห์อิสติฟารได้แล้วพอสมควรและเสร็จจากการอิสติฟารก็ให้ตัศเบะให้มาก น, นี่คือเพราะว่าการตัศเบะเนี่ถือเป็นอิบดะดาห์อย่างหนึ่งมันไม่ใช่แค่การพูดเฉยๆมันเป็นทั้งอิบดะดาห์เป็นทั้งการผูกความสัมพันธ์ของเรากับอัลลอฮ์เป็นการเป็นทั้งการ เาเรียกว่าอะไรนะเรียกพลังเรียกพลังที่อัลอลอฮฺจะให้กับบ่าวคนหนึ่งมันสร้างกําลังใจให้กับเราไนดะ้ขับไล่ชัยตอนด้วยเพราะฉะนั้นคุณค่าของมันเนี่ยเยอะมากมันไม่ใช่แค่เรื่องผลบุญเท่านั้นนะครับจะทํายังไงให้ลิ้นของเราเนี่ยมันมันคุ้นเคยกับการกับการกล่าวลําลึกถึง อ, องัลลอฮฺดโดยการตั้งเสกคดีด้วยการอิสติฟาะคดี นะครับให้เรารวมอยู่ในอายัดนี้ที่อัลลอฮ์การาบอกว่ า, วาบรรดาทุกอย่างที่อยู่ในชั้นฟ้าและก็ในแผ่นดินเนี่ยคอยตัสบหาอัลลอาร่าอยู่เสมอนะครับจะสบหาคำอัลลอฮ์ผู้ทรงเป็นอัลมาลิกอัลมาลิกเนี่ยเป็นคุณลักษณะของอนะัลลอฮ์อัลมาลิกเนี่ยถ้าเราแปลตรงๆก็คือเป็นเป็นกษัตริย์เป็นราชานะเป็นผู้ครอบครองครอบครองมัสลุกทั้งหมดอัลกุดูส อัลกุดดุสเนี่ยมาจากคาว่าสะอาดบริสุทธิ์ปลอดจากสิ่งต่างๆที่เป็นความบกพร่องเบยตุลมักดิสรูห์ลกุดุสอัลอาร์ุลมุคดดัษะยินไหมฮนี่รักษาคำเดียวกันเลยปกติแล้วเวลาที่เราแปลเนี่ยหลายคนอาจจะแปลคาว่าเบยตุลมักดิสหรือมุคดดัษะเนี่ยว่าศักศิษนะดินแดนศักศิษใช่ไหม มักกะเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์อารอมเป็นอะไรนะม ด, น, ะดนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไม่ตุลอัคาเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เขาแปลาคาว่าคคแปลาคาว่าอะไรนะอัลกัดดอัลกดะสัาานะตักดีสุลอชตักดีสุลอชนี่หมายถึงการที่คนคนหนึ่งบูชามนุษย์ด้วยกันเพราะนึกว่ามนุษย์ด้วยกันเนี่ยเป็นมนุษย์ศักดิ์สิทธิ์อันนี้เป็นชิริกนะครับเพราะฉะนั้น คนที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเนี่ยคือใครที่ไม่มีไม่มีความบกพร่องเลยไม่ใช่มัลลุกนะครับคนที่ศักผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆก็คือพระองค์ Allah ซุลฟาห์ริสัลลัลละพระองค์เดียวเป็นการยืนยันว่าพระองค์ไม่มีความบกพร่องอะไรก็ตามที่ไม่เหมาะสมกับความเป็นพระเจ้าเราต้องตัดสิท์ต้องตันเจี๊ย ต้องลบออกจากสารบบของ Allah สำรานตะละทั้งสิ้นแต่สำหรับพระองค์นั้นมีแต่อัลกามัความสมบูรณ์แบบนะครับคุณลักษณะความสมบูรณ์แบบอยู่ที่ Allah สำรานตะลนี่คือความหมายคว่าอัลกุดูสอัลอาซิสอัลอาซิสแปลว่าผู้ที่ไม่มีใครที่สามารถจะเอาชนะพระองค์ได้นี่คือคาว่าอัลอาซิสอัลฮักย ผู้ทรงปริชายานมีความศัก์มีความรู้มีความรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือคุณลักษณะและก็ชื่อของ a l Allah n a Taala นี่ชื่อทั้งหมดที่เราสามารถจะเอาไปเป็นตั้งชื่อได้อับดุลมลิกอับดุลกุดดุสอับดุลอาซิสอับดุลฮะคิมตั้งชื่อได้เลยนะเป็นพระนามของ s u, ik, us, iz, Tang, u b a n t a ยุบุลิลลามฟิสสมาวตวะมฟิอั อัลม um ัล um nah, um ิค um ีล um um. ์ขัตตุุลอาซิซีลฮะคิมอัลลอฮฺ تعالى เริ่มต้นอายะตในสุรทุล์ุมภาด้วยการสดุดีสรรเสริญตัวพระองค์เองก่อนนะครับหลังจากนั้นพระองค์ก็บอกว่าผู้ละดีบ้าอัลสิลุมียีนรอสู้และมินขุมพระองค์อัลลอฮฺที่เราร้วนัสเบะต่อพระองค์ที่มีคุณลักษณะต่างๆที่สมบูรณ์ที่ดีที่สุดเนี่ยได้มอบอะไรให้กับเรา พระองค์ผู้ทรงแต่งตั้งเบออาเซเน่แปลว่าทรงแต่งตั้งทรงให้มีขึ้นฟิลอมมิยีนในบรรดาคนที่ไม่รู้หนังสืออมมิยินหมายถึงบรรดาคนที่ไม่รู้หนังสือนักกัฟซีรบอกว่าอัลอมมิยีนในที่นี้หมายถึงพวกอาหรับทําไมครับ ทำไมพวกอาหรับถึงได้เชื่อว่าเป็นอุมมียิราจะบอกได้บ้างก็ตามนั้นเลยนะฮะเพราะว่าคนอาหรับส่วนใหญ่นั้นอ่านไม่ได้เขียนไม่เป็นสุภา ن อัลลอฮนะ์อมมียิเนี่ยมาจากคำว่าอมุอมมีอุมมีอ่อุมมีอมุมมีภาษาเราคืออะไร แม่ของฉันจริงๆแล้วมันไม่ได้แปลว่าแม่ของฉันอย่างเดียวนะอมมีตรงนี้เนี่ยเอายานิสบะไปตั้งเอาไว้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลูกของแม่ประมาณว่าเป็นลูกของแม่ทําไมอ่ะทาไมเราเรียกคนที่ไม่รู้หนังสือว่าเป็นพวกลูกปิดแม่หรือว่าลูกของแม่เพราะอะไรฮะเราวิเคราะห์ดู <c oughs> เขาบอกว่าเนื่องจากว่าถึงจะแก่แล้วแต่สภาพเนี่ยเหมือนกับคนที่เพิ่งคลอด เพราะอะไรคนเพิ่งคลอดคนเพิ่งคลอดนี่พูดได้ไหมไม่ได้เด็กที่เพิ่งคลอดออกมาอ่านหนังสือเป็นไหมไม่เป็นเขียนหนังสือเป็นไหมไม่เป็นเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่คนไหนก็ตามที่แก่แล้วแต่ยังอ่านหนังสือไม่ออกยังอ่านยังเขียนหนังสือไม่เป็นก็เหมือนกับเหมือนกับเด็กที่เพิ่งคลอดออกมาจากท้องแม่ไม่แตกต่างกันเลยเพราะว่าเขียนไม่เป็นเหมือนกันอ่านไม่เป็นเหมือนกันแต่คนอารับก็เลยตั้งชื่อ คนที่ไม่รู้หนังสือว่าอัลมีเอาไปพาดทิงกับคำว่าแม่นั่นเองนะครับซึ่งคนอาหรับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอัมมี่ยีนสุภานัลนแหลว่ากันว่าในสมัยของท่านนาบีนะครับในสมัยของท่านนาบีซอสลสาร์ลำก่อนที่ท่านจะเป็นรอซูดในมักกะเนี่ยคนไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ในเผ่ากอเรชเนี่ย มีคนที่สามารถจะอ่านได้เขียนได้เนี่ยไม่ถึงกี่คนเราพอทราบไหมไม่ถึงยี่สิบคนสุภาน้าหละลองคิดดูลองคิดดูถ้าสมมติหมู่บ้านเราเนี่ยทั้งซอยนี่มีกี่ครัวปบ้านเรามีมีกี่ครัวมีกี่หลังคาเรือนครับสมมติมีหนึ่งร้อยหลังคาเรือน หนึ่งร้อหลังคาเรือเนี่ยมีคนรู้หนังสือแค่ห้าคนน่ะจะเกิดอะไรขึ้นนี่ขนาดมันรู้หนังสือกันทุกบ้านนะยังมีปัญหาโน่นปัญหานี้เยอะแยะไปหมดเลยนี่คนไม่รู้หนังสืออยู่กันยังไงนี่แหละที่เขาเรียกว่าสมัยนั้นอัสรุลจ اه ิลิยาสมัยจ ا ฮิลิยาการไม่รู้หนังสือเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทําให้สังคมเนี่ย มันตกต่ําเสื่อมทรามมีแต่การศึกษามีแต่การให้คนรู้หนังสือนี่แหละที่จะช่วยปรับสังคมให้มันเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นอิสลามเนี่ยอายัดแรกเลยที่มาคืออะไรเอกอราชและที่น่าแปลกใจก็คืออัลลอฮ์บอกว่าแต่งตั้งในจํานวนคนที่ไม่รู้หนังสือเนี่ยรอสู้แล้วมินขุมแต่งตั้งนบีคนหนึ่งจากใคร จากคนที่รู้หนังสือไหมไม่จากคนที่ไม่รู้หนังสือนี่แหละเ ล, ลาอิละอิลอัลลอฮเพราะว่าน บ, บี m u h ม m ด a d ซลลละอิละสลามก็เป็นหนึ่งในจํานวนคนที่ไม่รู้หนังสือเหมือนกันย่าอัลลอฮใน h a d i t นึ่งนะครับที่ท่านน บ, บี บ, บอกว่าอัลลอฮฺสาลามองไปยังชาวโลกในสมัยนั้นมองไปยังชาวโลกสมัยนั้นและเพระองค์ก็ไม่พบว่าคนที่ดีที่สุดเผ่าที่ดีที่สุด ที่จะรับหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของพระองค์ก็คือคนอาหรับแล้วมองไปยังคนอาหรับทั้งหมดเพื่อที่จะดูว่าใครที่เหมาะสมที่สุดปรากฏว่าคนที่เหมาะสมที่สุดในคนอาหรับก็คือเผ่ากุเรช์แล้วในเผ่ากุเรช์นี่ก็มองไปอีกว่าดูซิว่าเผ่ากุเรชสายตระกูลไหนที่จะดีที่สุดปรากฏว่าเป็นตระกูลฮาชิมและในตระกูลฮาชิมเนี่ยคนที่ดีที่สุดไม่มีใครที่มีนิสัย มีฟิตรห์มีคุณลักษณะที่ดีมากไปกว่ามุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในแง่ของลักษณะนิสัยมุฮัมมัดมาที่หนึ่งพร้อมที่จะเป็นนบีและแต่ว่ายังขาดคุณสมบัติคุณสมบัติที่ว่านั้นก็คือมุฮัมมัดไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นเลยต้องส่งครูมาสอนมาถึงปุ๊บครูก็สอนเลย มนถึงปุ๊กครูก็สั่งเลยสั่งนักเรียนอ่านนักเรียนบอกว่าย่างไรนักเรียนอ่านไม่เป็นกลัวกลัวครูครครมากครูก็กอดนักเรียนนี่ตัวสั่นเลยนะฮะจนกระทั่งเกือบจะเสียชีวิตอ่ครูก็ปล่อยออกมาแล้วก็กอดจนกระทั้งครบสามครั้งแล้วก็สอนนักเรียนว่าเอก ร, รอบิสมิรอมิกัน ล, ลาีขร นี่คือที่มาที่ไปของการกำเนิดท่านน บ, บีมฮัมมัดลลัลสุลลัมถูกแต่งตั้งให้เป็นรัศลัละแต่งตัง้งเอาคนที่ดีที่สุดแต่ว่าเป็นคนที่มีรู้นังสืิมเพราะฉะนั้นต้องสอนอิกราะให้กับท่านน บ, บีมฮัมมัดสลลัลลาฮุอะลัยะซลลัมรูลมินฮุมยัตลูอลัยฮิมอายตห์วยซีิมวยลลิมุฮุมุลกิบลฮิกมาท่อนนี้พี่น้องจำเอาไวา้ให้ดีเป็นการ ระ บ, บุถึงหน้าที่ของคนที่เป็นรอซูดถามว่าท่านนาบีนี่มีหน้าทีอา่อะไรสัส้นขอสามคำะขอสามคำว่าท่านนาบีนี่มีหน้าทีอา่อะไรตอบเลยครับ 1. นื่งจลูอิลคำที่หนึ่งคำที่สองวายุแจกีห์หและคำที่สามวายุอ uh um ัลลิมุฮ์หมอัลกิตาบวะลิ์ นี่คือสามสามคำของเน้อที่ของมูฮัมหมัดสโลลลฮอะฮะซลมผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรอสุอันดับหนึ่งเลยยะรู้อะไยฮิมอายาติอุลามะบางคนบอกว่านี่คือดาราจา ต, ตบลิฮริซหละลำดับขั้นของการเผยแพร่สารแห่งพระเจา้าอันดับแรกเลยที่เป็นการตับเลก ที่เป็นการเผยแพร่แบบเขาเรียกว่าเบสิกก็คือการอ่านพระดํารัสของอัลลอฮ์ให้มนุษย์ฟังยังไม่ต้องอธิบายอะไรก่อนหรือถ้าไม่มีเวลาอธิบายอย่างน้อยที่สุดให้ได้ยินก่อนให้ได้ฟังก่อนเพราะอะไรครับเพราะลําพังการได้ยินพระดํารัสของพระเจ้าเนี่ยมันสามารถถ้าถ้าสมมุติว่าหัวใจนะั้นมันยังบริสุทธิ์อยู่นะ ถ้าสมมติว่าหัวใจของมนุษย์คนนั้นยังบริสุทธิ์อยู่ยังอยู่ยังมีความเป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์อยู่แค่ได้ยินพระดำรัดของ Allah เนี่ย ม, มันจะมันจะมีเหมือนกับสัญญาณไฟอ่ะมันเข็มมันจะกระดิกนึกออกไหมฮะแค่ได้ยินเนี่ยมันจะไม่มันจะมีความรู้สึกแล้วว่านี่ไม่ใช่คำพูดธรรมดาเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกการอ่านอัลกุรอาน อยากคิดว่าแค่การอ่านอัลกุรอานแค่การฟังอัลกุรอานมันจะมีประโยชน์อะไรไม่ครับมีประโยชน์เพราะฉะนั้นท่านนาบีสุลต่านละสลัมจึงได้รับคําสั่งจากอัลลอฮ์ให้อ่านให้ฟังยลูอะเกับคนบางคนเนี่ยท่านนาบีไม่พูดอะไรเลยมาถึงปุ๊บมามาหลอกล่อมาอย่างงุ่นอย่างงี้ม า, มาโต้เถียงกับท่านนาบีเยอะแย ะ, ยะไปหมดท่านนาบีบอกว่าจบหรือยัง เจ้าพูดจบเรียันะคนที่มาพูดไปก็บอกจบแล้วพอจบแล้วท่านอับดุลเบก้าุบิลละฮิมินาเชตานิราีิบิสบิลละฮิราะหมาเนาะฮิอ่านอายะฮ์อัลกุรอานให้ฟังไม่เอาคําอื่นมาใส่เลยเอาอายะฮ์อัลกุรอานให้ฟังอย่างเดียวปรากฏว่าไอคนที่จะมาเถียงด้วยเนี่ยกลับออกไปเนี่ยเดินไม่ถูกเลยเพราะอะไรเพราะตั้งใจฟังแล้วก็รู้สึกถึงพลังของของคำพีของพระนํารัตของรอบสุนทานอัลกัซฮ์ เพราะฉะนั้นการด่วะด้วยการอ่านอัลกุรอานเนี่ยก็มีความสาคัญเช่นเดียวกันนะครับอาจจะต้องอธิบายอีกยางนะครับแต่เอาแค่นี้ก่อนยัตลูนี่เป็นน้าที่รับรัูลุล์ลลัลลอฮุยลอันที่สองวายุายุมหมายถึงตัศกยการเขาเรียกว่าการทักียเนี่มีความหมายใกล้เคียงกับคาว่ากรเบีย คือการขจัดสิ่งที่สกรปรกออกจากหัวใจการอบรมการบ่มเพาะนี่คือความหมายคำว่า just g e หมายความว่าก่อนที่จะให้ความรู้เนี่ยเราจะต้องเอาอะไรที่มันสกรปรกออกจากหัวใจของคนก่อนอันนี้คือลําดับสเต็ปของมันความรู้ของ Allah, ลัทธิว่างใจเลาเนี่ยเปรียบกับ เปรียบเหมือนกับน้ำสะอาดน้ำสะอาดเนี่ยเราจะบรรจุลงไปในหัวใจของมนุษย์เราบรรจุลงไปในแก้วเนี่ยวัยูของเลาที่เป็นน้ำสะอาดเนี่ยเวลาที่มันบรรจุลงไปเนี่ยต้องบรรจุในหัวใจต้องสอนให้มันเข้าไปในหัวใจของมนุษย์ประเด็นก็คือว่าต้องดูก่อนว่าหัวใจมันสะอาดไหมก็เหมือนกับเวลาที่เราจะใส่น้าลงไปในแก้ว ต้องดูก่อนว่าแก้วมันสะอาดไหมถ้าแก้วมันสกปรกน้ําจะสะอาดยังไงเวลาที่เราเทน้ําลงไปในแก้วสุดท้ายมันเป็นยังไงครับมันก็สกปรกอยู่ดีดังนั้นก่อนที่จะมีวัยอัลิมูมูลกิตาวันเอกมาก่อนที่จะสั่งให้สอนอธิบายเนื้อหาก่อนที่จะแชร์ก่อนที่จะเพิ่มความรู้อื่นๆเนี่ยรักษาหัวใจให้สะอาดก่อน ตสเกียก่อนให้หัวใจมันสะอาดอย่างน้อยอาใัยเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะได้ซึมซับเข้าไปจริงๆนี่คือหน้าที่ของท่านดบิมุฮัมมัดสุลลัสลสุลแลมคือการแตสเกียกการรักษาหัวใจบรรดาซอฮบะของท่านถัดจัดยาเฮลียะออกไปนะไม่ใช่ว่ามาสอนอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ให้การตักเตือนไม่ได้ให้โอวาตไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ได้ให้รำลึกถึงนรกนรกสวรไม่ใช่พยายามผูกโยงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย ให้หัวใจของเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าอ่อนโยนพร้อมที่จะรับความรู้จากอัลลอฮฺสุบไนรุตัละจากสุนนะของท่านนาั่นดีพร้อมสักหน่อยหนึ่งในระดับหนึ่งบางทีอาจจะไม่ใช่ว่าต้องพร้อมร้อยเอร์เซนก็ไม่จําเป็นแต่อย่างน้อยก็คือต้องฮะต้องถางก่อนสักหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะให้มันสามารถที่จะเพาะปลูกได้นะไม่ใช่ว่าเวลาที่เราจะปลูกอะไรเนี่ยเราไปถึงรากหญ้ามันยังรกรกร ก, รกอยู่เนี่ยสมมุตินะ ไปทํำยังไงเอามาเล็ดข้าวโพดไปจะปลูกข้าวโพดปลูกอะไรมนะันไปเห็นเอามาเล็ดไปกว้างกว้างกว้างกว้างมันจะขึ้นไหมอ๋ะบางทีมันก็ขึ้นนั่นแหละแต่มันจะสมบูรณ์ไหมต้องทอํายังไงก่อนก่อนที่จะปลูกต้นไม้ต้องไปถางก่อนต้องไปพรนดินก่อนต้องอะไรให้มันสร้างความพร้อมให้คนที่จะรับก่อนพอพร้อมเสร็จเมื่ อ, อไหร่เวลาที่เราปลูกลงไปเนี่ยมันจะได้งอกเงยออกมาอย่างอย่างเต็มที่นะครับยุุลลลิมอ ม, กมอก ويعلمهم الكتاب و ا ل ح ك م หน้าที่ อันสำคัญข้อสุดท้ายก็คือสอนสอนอะไรสอนก็ไม่ได้สอนอะไรสอนอัลกิตากับอัลสุนนะกับอัลฮิค مة อัลฮิค مة นี่หมายถึงอัลกลมุนน้าเความรู้ที่เป็นประโยชน์แน่นอนว่าความรู้ที่เป็นประโยชน์ก็คือความรู้ที่เป็นถ้ามันมาพร้อมนะอุลามะบางคนอย่างเช่นอะลีมามุชเชฟีอีอะลีมามุชเชฟีอีบอกว่าถ้าในอัลกุรอานเจอคาว่าอัลฮิ อยู่ข้างๆคำว่าอัลกิจาแสดงว่าอ nah ัลฮิกมาตรงนี splash, ้หมายถึงส <de> yeah, ุนนะของท่านนบีสุลต่านละอันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของท่านก็คือสอนให้อมค์มาของท่านรู้จักอัลกุรอานเข้าใจอัลกุรอานรู้อัลกุรอานและรู้ฮะดีสของท่านสุนนะของท่านเวลาที่เราเรียนเราก็เรียนสองอย่างนี่แหละนี่ก็เรียนไม่ไวนะ เราพังจะเรียนอัลกุรอานการเรียนหะดิษนี่กาเรียนไม่ไหวละนี่วันนี้เราเรามาเรียนแค่อัลกุรอานนะอะดิษเรายังไม่ได้เรียนหมายความว่าไม่ได้เรียนเป็นจริงเป็นจังอะในถ้าเรียนวิชาหะดิษเนี่ยมันจะโอ้บางทีผมก็ความสามารถมันมันมันน้อยเกินไปที่จะมันนั่งสอนให้มันเป็นจริงเป็นจังมีคนที่เชี่ยวชาญเรื่องหะดิษเนี่ยอีกหลายคนเลยทีเดียวถ้าพี่น้องสนใจแต่เราอยากจะเรียนไหมเรียนฮะดิษบุคเรีย ตั้งแต่ต้นจนจบฮะอยากจะเรียนหรือไม่ถ้าไม่เอาหัตติสุคาริก็เอาของอิหมัมนาววีก่อนก็ได้อิหมัมนาววีที่รวบรวมในเรียลุสซ ال อลิกีในอะไรอะ40ฮัตติสของอิหมัมนาววีเรียนให้มันเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ย سبحان Allah โอ้โหน่าสนใจมากมีเนื้อหาแล้วก็มีประโยชน์มากจะทํำยัำยงไงในขนาดเรียนอัลกุรอานเราก็ไม่ไหวละอะสัปดาห์ละครั้ง้ามีเรียนฮัตติด้วยเนี่ยจะเอาไหม จะทำยังไงดีจะหาใครมาสอนดีเพราะว่ามันต้องไปด้วยกันเรียนรู้อ่านโดยไม่เรียนสุนนะนจะทําให้เราไม่เข้าใจอิสลามแบบครบถ้วนเพราะรู้อ่านต้องใช้สุนนะในการอธิบายเข้าใจไหมครับแต่ท่านนาบีก็สอนประชาชนของท่านด้วย2 อ, อย่างนี้อลัลกุรอานกับอสุนนะมรดกของท่านนาบีสองอย่างท่านนาบีทิ้งเอาไว้ให้กับประชาชนของท่านที่ใครก็ตามยึดมั่นกับสองอย่างนี้จะไม่หลงทางแน่นอนนั่นก็คืออลัลกุรอานกับอสุน ว่าอินฺค่นอีอัตอุานอินฺรรบุชัดเจนว่าอินฺคาโญกุบลุลฟิ้วัลลลิมบิในขณะที่บรรดาคนอารับเหล่านี้บรรดาประชาิของท่านนาบี ส, ลลสุลต่าลลัมพวกนี้อยู่ในสภาพที่ก่อนหน้านี้อยู่ในสภาพยังไงครับที่ดอลาลิมบิอยู่ในการหลงทางที่ชัดแจ้งมากทำไมอัลุอานบอกว่าคนอารับถึงอยู่ในการหลงทางที่ชัดแจง้ง เพราะว่าช่วงหน้าก่อนที่ท่านนาบีของเราจะได้เป็นรอซูลเนี่ยช่วงนั้นเขาเรียกว่าช่วงแห่งการขาดตอนช่วงก่อนนั้นน่ะหลังจากที่นบีอิสลาเสียชีวิตไปเนี่ยจนกระทั่งถึงยุค ข, ของท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ยประมาณกี่ปักกี่ปีอะไม่มีรอซูลเลยเราเรียกช่วงนั้นว่าเป็นช่วงอัลฟัตระช่วงแห่งการขาดตอนไม่มีนบีและไม่มีรอซูลเพราะฉะนั้น คนที่ไม่มีรอสุคนที่ไม่มีนบีคนที่ไม่มีโต๊ะครูนะสังคมที่ไม่มีคนมาสอนศาสนาเนี่ยแน่นอนครับเป็นสังคมที่น่ากลัวเพราะสังคมที่ไม่มีอะไรเขาเรียกมีคนมาพูดตักเตือนให้เราลึกถึงเราตอะไรอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะหลงทางจะถูกชัยตอนพาให้หลงทางอันนี้อันตรายมากนะสังคมไหนที่ไม่มีการสอนศาสนาให้กับสมาชิก จริงๆแล้วถ้าจะยกตัวอย่างเนี่บางทีก็อาจจะได้นะครับไม่ต้องที่อื่นในในในหมู่ในบ้านเราในประเทศเรานี่แหละเป็นจะเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากนะครับมีหมู่บ้านที่เคยเป็นหมู่บ้านมุสลิมมา ก, ก่อนแต่ปัจจุบันนี้ลูกหลานไม่ไ ม, ไม่ไม่เหลือสภาพเพราะอะไรเพราะไม่มีคนที่จะเป็นโตครูไม่มีคนที่จะมาอยู่ประจําในหมู่บ้านนั้นเพื่อที่จะสอนอิสลามให้กับเขา Allahu Akbar. ไม่ ول ายามและไม่กลวต l l a h bilah. ได้สองอายะห์ก่อนนะครับจะให้เราได้รู้ว่าการที่เรามีนบีสุลต่ันการที่อัลลอฮ์สุภาวตะละประทานนบีมุฮัมมัดมาเนี่ยมาเพื่ออะไรนะครับมาเพื่ออะไรมาเพื่อสิ่งใดและสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นบุญคุณอันใหญ่หลวงที่องค์ประทานให้กับเรานะครับอมุมะอิสลามอุมัตของนบีมุฮัมมัดุล อั وفقنا الله والله تعالى أعلم وفقنا الله إياكم لما يحبه أرضه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أ م الع ا ي س ي ف و ن َ سلام على المسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة